ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยาสังฆะอัตกถาแระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมะขโมแปลเรื่องที่สาสิบสปะกินตวินิจฉญากถากาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องเบ็ดกระเร็ดต่อ พิกตุไม่ตึงหาของสองข้างเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกตุไม่ตึงหาของสองข้างรูปใดหารูปนั้นต้องอับัติทุกกฎภิกตุควรที่จะหาของข้างเดียวเป็นต้นเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนพิกตุทั้งหลายเราอนุญาตให้คอนหามเทินแบบกระเดียดกระเดียดและทิเอลหรือว่าหิ้วกรได้ อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกิริยาอาการที่เหมือนกับเคล็ดหักแต่เป็นการหักของสองข้างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะคอนข้างเดียวนี้ก็ไม่มีอับักจะเทินจะแบกบจะกระเดียดยื่วไม่เป็นไรห้ามหักของสองข้างเหมือนกับเอากระจาดมาวางสองข้างไม้คานแล้วก็หักอันนี้ไม่ได้พ๊กตูกไม่ถึงเคี้ยวไม้สีฟัน ไม้ชมาระฟันขนาดยาวเพราะมีพระบารีว่าดูกอรที่สุดทั้งหลายที่ถูกไม่พึงเคี้ยวไม้ชมาระฟันยาวรูปใดเคี้ยวรูปนั้นต้องอบัตทุกกดพึงเคี้ยวไม้ชมาระฟันยาวแปดนิ้วเป็นอย่างยิ่งคือไม่เกินแปดนิ้วและสี่นิ้วเป็นอย่างต่าด้วยประมาณนิ้วของมนุษย์ทั้งหลายก็มีพระบารีว่าดูกอนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชมาระฟันยาวแปดนิ้วเป็นอย่างยิ่ง เราอนุญาตไม้ชมาละฟันขนาด4นิ้วเป็นอย่างต่ำดังนี้ก็สาเหตุจากการที่นิสตุเคี้ยวไม้ชมาละฟันต่ำกว่า4นิ้วพอเคี้ยวเข้าไปในปากก็เลยเผลอกลืนเข้าไปทําให้ติดคอได้ก็เป็นต้นเหตุบัญญัติให้เคี้ยวไม้ชมาละฟันต้องยาวกว่า4นิ้วนิสตุอีกรูปหนึ่งใช้ไม้ชมาละฟันยาวเกิน8นิ้วก็เอาไปตีสามเณร ตก็เลยห้ามใช้ไม้ชุมนันฟันยาวเกินแปดนิ้วจะใช้เป็นไม้เร็วนะอันนี้ก็ต้องต่ำา่อแปดนิ้วมีแปดนิ้วเป็นอย่างยิ่งแหละยาวสุดก็ได้แปดนิ้วต่าสุดก็สี่นิ้วพิสูจไม่พึงขึ้นต้นไม้เพราะมีพระบาลีว่าดูค ว, วามพิกูจทั้งหลายพิสูุไม่พึงขึ้นต้นไม้รูปใดขึ้นรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดังนี้ แต่เมื่อมีกิจที่จะต้องเอาฟืนแห้งเป็นต้นจะขึ้นชั่วประมาณบุรุษก็ควรเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนิสูจุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ขึ้นต้นไม้ได้ชั่วบุรุษก็คือสูงประมาณเท่ากับบุรุษคนหนึง่งเมื่อมีเหตุจําเป็นในครามีอันตรายขึ้นได้ตามประถนาดังนี้จะขึ้นสูงเท่าไหรก็ได้ในครามมีอันตรายนี่ ข้อว่ามีอันตรายเกิดขึ้นมีความว่าพลิกตู่เห็นอันตรายมีสัตว์ร้ายเป็นต้นหรือว่าเป็นผู้หลงทางเป็นผู้ใกล้จะมองทิศเห็นไฟป่าลามมาหรือเห็นห้วงน้ำหลากมาจะขึ้นต้นไม้แม้ที่สูงเกินประมาณก็ควรจะขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าขึ้นต่าๆไม่แน่เดี๋ยวอันตรายสัตว์ร้ายสามารถขึ้นได้ก็ตัวอย่างในคาถาธรรมบท เรื่องในพรานสุนัขชื่อโกกาเห็นพระภิกษุแล้วก็คิดว่าเป็นตัวกาลเคนีไม่ได้สัตว์เลยวันนั้นก็เลยให้สุนัขกับพระภิกษุพระภิกก็เลยขึ้นต้นไม้แต่ท่านก็รักษาโรยในท่านก็ขึ้นแค่ชัว่วโุงเท่านั้นเองไม่ขึ้นสูงกันนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ในพรานเอาลูกธนูเนี่ยแทงที่เท้าแนละ้วว่าแกเป็นตัวกาลเคนีทําให้ข่าเนี่ไม่ได้สัตว์เลย ก็เชิญก็แทงไปแทงมาไปพิสุก็ยกเท้ายกไปยกมายกข้างนั้นยกข้างนี้ก็เผลอจีวรก็หลุดหลุดก็ตกลงใส่ด้านของในพานนี่แหละตัวนักทั้งหลายก็ดึกว่าพระพิกษุตกลงมาก็เลยรุมเงินกัดใหญ่เลยพอกัดแล้วก็แทะเนื้อด้วยนะในพาก็เลยตายพอกินเสร็จเรียบร้อยพระพิกษุก็อยู่ข้างบนก็คักกินไม้ ขว้างสุนัขสุนัข ก, ก็รู้ว่าอ้าวพระวิสุทธิ์ยังอยู่บนนั้นนี่ที่เรากินมันเป็นเจ้ไหนขอเราเองก็เลยพากันดีไปก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในภานเนี่ยเข้าไปอยู่ในจีวรของข้าพระองค์ข้าพระองค์นี่ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังศีลยับริสุทธิ์อยู่มึกกระวงให้ทุกแต่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัว อันนี้มีเหตุอันตรายก็สามารถขึ้นสูงเท่าไรก็ได้ถ้าท่านขึ้นสูงมากกว่านั้นก็คงจะไม่ถูกเนพรานเอารุกนูมาแทงเท้านะท่านก็รักษาพรวินัยอะ่ะอิศสย่อมไม่ควรที่จะยกพระพุทธพจน์ขึ้นสู่วาจนามของภาษา ส, สรรสกิญดุจพระเวทแต่ควรเรียนด้วยภาษาของตนภาษาของตนนี้ก็เรียกว่าสกภ า, ภาษา ก็คือภาษาบาลีภาษามคตนี่แหละคือนิรุตติภาษาอันเป็นของชาวมคตเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิกษุนทั้งหลายพิกูจนไม่พึงยกพระพุทธพจน์ขึ้นโดยภาษาสันสกฤตรูปตา ย, ยกขึ้นรูปนั้นต้องอบัติทุกกดดูก่อนพิกูจทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อเรียนพระพุทธพจน์ด้วยภาษาของตนก็คือภาษามคตนี้การทรงกับการสอนมีแตกต่างกันนะครับ ก็คือส่งเอาไว้ส่งจำแล้วก็มีการเรียนมีการถ่ายทอดจนเป็นภาษาสันสกฤตอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่อนุญาตแต่ว่าถ้าจะสื่อสารจะแสดงแสดงด้วยภาษาอะไรก็ได้เพื่อจะสื่อให้บุคคลที่เขาฟังเนี่เขาฟังด้วยภาษาอะไรแล้วเข้าใจก็ให้สอนตามภาษานั้นได้เพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธพจน์ไปอยู่ในลังกาก็าเปลี่ยนเป็นภาษาลังกาหมดเลย เรียนเป็นภาษาลังกาพระวจนะโคสาจารย์จะต้องไปปริวัติกลับมาเป็นภาษาเมคอตแต่นั้นก็ไม่มีโทษไม่มีอบัติอะไรเพราะว่าไม่ใช่ภาษาเศรษฐกิจภาษาสารัรษกฤตนี่ที่แม่อนุญาตเพราะว่าเป็นภาษาที่เขามีกฎเกณฑ์แล้วก็เป็นภาษาที่ไม่สาธารณะกับคนทั่วไปก็คือเขาจะให้เรียนเฉพาะพวกพราหมณ์เขาจำแนงจนชั้นตา่างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะสมไม่ควร ที่จะไปส่งโดยภาษา อ, อื่นๆที่มีการแบ่งชนชั้นก็นสรงได้เพราะมีพระ บ, บารีเป็นต้นว่าดูก่อนพิกสุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีร์โลกายตะรูปใดเรียนรูปนั้นต้องอบัตทุกกดเพราะฉะนั้นภิกษุจึงไม่ควรเรียนคมภี์ของเดือนอธิซึ่งประกอบด้วยเหตุอันไร้ประโยชน์มีอธิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเดน เพราะเหตุนี้และเหตุนี้สิ่งทั้งปวงไม่เป็นเดนเพราะเหตุนี้และเหตุนี้กาขาวเพราะเหตุนี้และนี้นกกระยางดำเพราะเหตุนี้และนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคมภีอันเนื่องด้วยโลกและไม่พึงสอนคมภีโลกายตะแก่ผู้อื่นอันหนึ่งที่สุไม่พึงเรียนเดรชะวิชาและไม่พึงสอนเดรชะวิชาแก่คนอื่น อันนี้ก็ปรับบัตรทุกบกด้วยแต่ถ้าเป็นทิฏุนีนี่ปรับบัตปรปจิตตีเลยนะเรียนเดร์นันวิชาสอนเดียร์ฉันวิชานี่ยต้ อ, อบัตระจิตตีเป็นวิชาที่ขัดขวางต่อมรรคผลนิพพานคําว่าดีร์ฉันเนี่ยก็คือขวางขวางต่อมรรคผลนิพพานใครจุเรียนเขาก็ไม่ได้เจริญด้วยไตรสก ข, ขานแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยก็หมายถึงว่าจะต้องตกนรกน่นเองตกอบายอันวิชาการต่างๆเหล่านี้ที่ไม่เป็นประโยชน์ แต่ว่าวิชาบางอย่างที่เป็นประโยชน์เช่นวิชาแพทย์วิชาอะไรนี้ก็จะเรียนไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการที่จะรักษาชีวิตเพื่อเอาไว้อบรมไตรสิกขาหรือว่านุเคราะห์แต่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็ได้เมื่อมีคนจามภิกษุไม่ถึงกล่าวว่าจงมีอายุยืนแต่เมื่อกระหัตกล่าวอยู่ว่าขอท่านมีอายุยืนภิกษุจะตอบว่าขอโยมจงมีอายุยืนดังนี้ก็ควร ก็มีพระมารีว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายพิสูกไม่พึงกล่าวคําให้พรว่าขอจงมีอายุยืนในเมื่อมีคนจามพวนี้ก็เป็นสี่รับพระรรมบาได้คิดว่าเขาจามแล้วก็โอ้ยป่วยแนะไม่สบายนะขอให้เขามีอายุยืนเถอะเพราะฉะนั้นต้นเหตุพระบุรุเจ้าก็ได้ถามถามว่าถ้าเธอเนี่ยกล่าวให้เขามีอายุยืนแล้วเขาจะอายุยืนตามที่เธอกล่าวหรือเปล่าเพราะว่าในโบราณทั้งหลายในอดีตก็มี ประเพณีเนี่ก็คือเมื่อมีคนจามก็ขอให้มีอายุยืนขอใมีอายุยืนมันก็ไม่ได้เป็นไปนตามคําที่กล่าวเพราะฉะนั้นห้ามกล่าวแต่ว่าพอมีพระพิสุจามบ้างเรือนโลงเขาก็กล่าวขอให้ท่านอายุยืนพระพิสุทธิลังเกียดไม่กล่าวต่อเขาก็ติดเทียนเอาเราขอให้เราอายุยืนแล้วเราทำไมไม่ขอให้เขาอายุยืนบ้างพระพุทธเจ้ า, จา ก, ก็เลยอนุญาตให้กล่าวว่าให้มีอายุยืนได้เมื่อโลงเขาขาดให้เรามีอายุยืนเราก็ควรจะกราบเขา เมือนก่าว่าเขาให้สิ่งใครนะเขาก็าอยากจะได้ถึงนั้นกลับคืนบ้างเขามาทําบุญเ้าก็าอยากได้บุญนั่นก็เขากล่าวว่าให้พระพิสุอิมีอายุายืนไว้ถูกแล้วควรจะกล่าวว่าขอให้โยมมีอายุยืนนานด้วยดูก่อนพิกสุทั้งหลายพิสุได้พึงกล่าวคําให้พรว่าขอจงมีอายุยืนในเมื่อมีคนจามรูปใดกล่าวรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎดูกอ่อนพิสุทั้งหลายชาวบ้านมีความต้องการด้วยสิ่งเป็นมงคลเราอนุญาตให้พิสุ ที่เมื่อเผ่าให้พรว่าจงมีอายุยืนดังนี้ให้พรตอบเขาว่าขอท่านจงมีอายุยืนนานดังนี้ก็ให้พรเขาตอบใต้แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ให้พรเราก่อนก็ไม่ต้องไปให้พรที่จะทําให้เขามีความเข้าใจผิดเป็นโอเคดีที่ไม่ดีงามเวลาเขาจามเวลาเขาตกใจอะไรต่างๆนี้ มีพระบาริวา่าดูกวามพิเศษทั้งหลายพิษตุไม่พึงฉันกระเทียมรูปมใดฉันร่วมนั้นต้องอบัตาทุกกฎดูกวามพิเศษทั้งหลายเราอนุญาตให้พิษตุฉันกระเทียมเพราะเหตุคืออาภาเพราะฉะนั้นภิษตุย่อมไม่ควรฉันกระเทียมเว้นแต่อาภาแต่จะฉันกระเทียมที่ใส่ลงในแกงเป็นต้นก็ควรจิงอยู่จะใส่กระเทียมนั้นลงในแกงถั่วเป็นต้นซึ่งกำลังแกงก็ดี ในกับข้าวชนิดที่ปรุงด้วยปลาเดือกก็ดีในน้ำมันก็ดีของเคี้ยวที่ทําจากพุทราตากแห้งแล้วบดเป็นผงก็ดีในแกงต้มเป็นต้นก็ดีในแกงอบก็ดีได้แกงอย่างใดอย่างหนึ่งชั้นที่สุดแม้ในยาคูและพัดก็ควรแต่ว่ากระเทียมเอิ่มฉันหมายถึงกระเทียมอคตเพราะฉะนั้นกระเทียมไทยนี่ก็ไม่มีปัญหาฉันได้ กระเทียมบัคก็คงจะมีความแตกต่างจากกระเทียมไทยในอรรถ า, า, า, านั่นแสดงว่าเป็นกระเทียมบัคตแต่ว่าถ้าเกิดเอามาผสมกับอาหารอย่างอื่นนี่ก็ฉันได้หมดเป็นแต่ละสดๆดี่ไม่ควรหรือว่าต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วพระวิถุรูปหนึ่ไปนั่ดฉันกระเทียมอยู่ตอนท้ายนู่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามน้ ว, ว่าที่ถูกฉันสิงใดแล้วก็ทําให้ไม่สนใจพระธรรมควรไหมที่จะฉันสิ่งนั้น ทสุดทัหลายก็ถูกว่าไม่ควรพระเจ้าก็เลยบรรยัญญัติขาบทหา้ามฉันกระเทียมยกเว้นป่วยอาพาธหรือว่ากระเทียมที่ผสมกับอาหารแล้วก็ฉันได้ที่สูบบีเท้าอย่างไม่ได้ล้างไม่พึงเหยียบเศนาชนะบีเตียงและต่างเป็นต้นหรือพื้นที่กระทำบริกรรมแล้วเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนทิกษุทั้งหลายทิกสูบบีเท้าไม่ได้ล้างไม่พึงเหยียบเศนาชนะ รูปใดเหยียบรูปนัมม้นต้องอาบัดทุกกดดังนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังบีเท้ายัางไม่ได้ล้างเท้ายัางเปื้อน้อนอยู่นี้ก็ไม่พึงเหยียบเศษดาษะบีเตียงมีต่างเป็นต้นหรือว่าพวกเสือลำแทนพวกอะไรต่างๆวิาาหารกูดีที่มีพื้นบริกรรมเรียบร้อยดีหรือว่าพื้นสะอาดดีก็ไม่พึงเหยียบต้องอบัรทุกกฎนบำย่อมปรากฏตรงที่เหยียบด้วยเท้าเช่นใด เหยียบพื้นก็ดีเสดยนาสน ก, ก็ดีที่ทําการโบกฉาบอันที่ตุกได้พึงเหยียบ ด, ด้วยเท้าที่เปียกเช่นนั้นถ้าเท้าเปียกด้ำไม่ก็ยังห้ามเหยียบแต่ถ้าว่าปรากฏเพียงรอยดอนจางๆเท่านั้นด้ำหาปรากฏไม่ควรจะเหยียบไ ด, ด้ก็คือเช็ดที่ผ้าแล้วแต่ว่ามันยังชื้นๆอยู่พอไปเหยียบที่พื้นก็มีรอยนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เป็นบด้ำก็มีรอยที่เป็นรอยเท้านิดหน่อยเช่นนั้นอยวมันก็จะระเหยแห้งไป อันนี้ก็เหยียบได้อันหนึ่งจะเหยียบผ้าเช็ดเท้าแม้ด้วยเท้าอันเปียกชุ่มก็ควรผ้าเ็เท้าเอาไว้เช็ดเท้าที่เปียกนั่นแหละเพาะฉะนั้นก็เหยียบได้เพิกตูสวมรองเท้าไม่ควรเหยียบที่ซึ่งจะพึงเหยียบด้วยเท้าที่ล้างแล้วทีเดียวเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพิกตูดสวมรองเท้าไม่พึงเหยียบเสนะชนะรูปใดเหยียบรูปนั้นต้องอาบัตทุกกดดังนี้ เพราะฉะนั้นถ้าสวมรงเท้าอยู่ก็จะไปเหยียบบนเสนาสนะที่ตั้งที่นอนหรือว่ากุฏิวิหารต่างๆดีถ้าเหยียบเขาสําหรับผู้ที่ล้งางเท้าแล้วถึงเหยียบได้เพราะฉะนั้นถ้าไปเหยียบต้องอาบัตรทุกกดสวมรองเท้าไปเหยียบต้องอาบาตรทุกกดิกสูดไม่พึงถมน้ํำลายลงที่พื้นที่บริกรรมเพราะมีพระบารีว่าดูการทิกสูดทั้งหลายทิกสูไม่พึงถมน้ํำลายลงบนพื้นที่บริกรรม รูปใดท่ ม, มรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎดังนี้ควรถ่มลงในกระโถนซึ่งพระผู้บีพระภาคเจ้าอนุ ญ, ญาตไว้อย่างดีว่าดูก่าบพิสุทธิั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตกระถน r นน้ำลายเพราะมีพระบารีว่าดูก่าบพิสุททั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ใช้ผ้าพันเท้าเตียงเท้าตัดอันนี้คนละเรื่องเลยนะการถ่มน้ำลายนี่ก็ให้ถ่มลงในกระโถ or นถ้าถ่มลงในพื้นที่บริกรรม แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่บริการเช่นที่ดินที่ทางเดินต่างๆถกได้ถ้ามันเกิดนลล้ำลายร้อนหรือว่าป่วยหรือว่าไออินเสเลตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถบที่พื้นดินที่ไม่มีตั์ไม่มีหญ้าของเขียวเพราะว่าเป็นถมน้ำลายลงบนของเขียวสดนี่ก็ต้องอบดัดทุกกฎด้วยการ น, น้ำในเศษขียวัดถมลงในน้ำก็เหมือนกันถ้าเป็นนที่ใช้ได้นี่ก็มีอบดับทุกกฎในเศษขี้วัดเหมือนกัน แต่ ถ, ถมนมที่ทางเดินที่ก้างขทา ง, างนะัไปถมกลางทางเดินนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าจะทำให้กระื่นเขาเป็นอารมณ์สติฉิตทาที่ดีก็เป็นถมเดินที่ตัวข้างหนึ่งที่เทขยะที่อะไรต่งตางๆก็ได้ถ้ามีกระโถนก็ทมลูในกระโถนอีกข้อหนึ่งดูความติสุดทั้งหลายเราอนุญากให้ใช้ผ้าพันเท้าเตียงเท้าต่ำ ทิสุ ح, ผู้เมื่อจะเก็บเตียงและต่างที่พื้นปูนขาวหรือที่พื้นที่บริกรรมถ้าไม่มีเสื่ออ่อนหรือเสื่อลำแพนเพื่อเอาผ้าพันเท้าเตียงและต่างเสียถ้าผ้านั้นไม่มีแม้ใบไม้ก็ควรรองและเป็นทุกกฎแกทิศุผู้ไม่รองอะไรอะไรเลยวางลงไปเพราะว่าถ้าเป็นดิมแล้วมันก็จะทาให้คลูสี กับพื้นที่บริกรรมแล้วก็ทําให้พื้นนั้นเป็นรอยเกจเตียงนะั้นต่างที่พื้นปูนขาวจะตทงให้ปูนขาวกระเทาะแต่ปัจจุบันนี้ก็ล่าสีเบนแล้วล่าสิเบลหรือว่าปกกระเบื้องเพราะฉะนั้นจะไปคไรูดไปสียังไงก็ไม่เป็นรอยเในพ่อเท้าเตียงเท้าต่างที่เขาปีญามด้วยหรือว่าเป็นพื้นไมยก็ตามแต่ว่าสําหรับผู้ที่ยังเอื้อเฟื้อตอบข้อีิทยาข้อดีอยู่ก็ แต่ค ง, งใช้ผ่าพันอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องพิจรารณาแล้วว่าเป็นไปตามพระพุทธพลดรหรือเปล่าเพราะว่าท่านแสดงว่าไม่ให้วางเก็บเกลืก่อตัไว้ที่พื้นปูนขาวหรือพื้นที่ที่บริกรรมพื้นที่บริกรรมสมัยก่อนก็คงจะใช้ปูนขาวใช้พวกครวัวใบ้พวกเนี้ย า, าชาบริกรรมเอาไว้ปูนที่เป็นจะเป็นแข็งมากแ้วก็คงจะไม่ทาให้เป็นรอยอะไร ก็จะใช้ผ้าพันเอาไว้ก็ไม่ดีปักหาะก็เป็นสิ่งที่ดีก็ถ้าว่าภิกษุผู้เจ้าถิ่นในอาวาสนั้นวางแม้บนพื้นที่ยังไม่ได้ลาดแล้วแต่ใช้ใสทั้งที่มีเท้ามีได้ล้างจะใช้ใสยอยจางนั้นต้างก็ควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเท้าที่ไม่ได้ล้างอันนี้กลับไปเรื่องของไม่ได้ล้างเท้าอีกแ ถ้าเกิดวัดที่เจ้าถิ่นเขาใช้อยพื้นที่ต่างๆโดยไม่ได้ล้างเท้าเราล้างเท้าไปไปเหยียบมันก็เลอะเท้าเราด้วยเพราะฉะนั้นใช้อยทั้งที่เท้าไม่ได้ล้างก็เป็นกระไดบ้างท่านก็บอกว่าก็ควรเพราะว่าถ้าเขาเหยียบเลอะเท้ากันอยู่แล้วเราล้างเท้าไปเหยียบเท้าเราก็เลอะแล้วก็ไม่ได้ทำที่นั้นได้สะเออหมายถึงว่าถ้าที่ใดเจ้าถิ่นเขาใช้ฐัดที่ต่างๆที่ใช้เดินโดยที่ ทีทาเบื้องเบื้อหรือว่าสวมรองเท้าเข้าไปเนี่ยอากาจุกะจะใช้สอยอย่างนั้นก็ได้เพราะมีดระบารีว่าดุกอันที่สุดทั้งหลายทิกตุไม่พึงพิงฝาที่ทําบริกรรมรูปใดพิงรูปนั้นต อ, อ บ, บัติทุกกฎ ด, ดังนี้ฝาที่บริกรรมหรือฝาที่ทาด้วยสีขาวหรือที่กระทําจิตตกรรมก็ตามไม่ควรพิงไม่ใช่แต่ฝาอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ควรพิงแม้ประตูก็ดีหน้าตาก็ดีพนักจริงก็ดี เสาซีดาก็ดีเสาไม้ก็ดีทิกตุไม่ตองด้วยกีวร์หรือว่าของบางอย่างแล้วย่อมไม่ควรพิงเหมือนกันเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนทิกตุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูราดก่อนแล้วจึงนอนเพราะฉะนั้นทิกตุพึงเหยียบด้วยเท้าที่ล้างแล้วพื้นที่โบกฉาบก็ดีเสีาสดาชนะมีเครื่องรองพื้นก็ดีเตียงต่างของสมก็ดี ต้องเอาเครื่องปูลาดของตนปูลาดลงตรองก่อนจึงควรนอนถ้าแม้เมื่อพิ่ตุกกำลังหลับเครื่องปูลาดถลกเลิกไปอวัยวะแสงสริระบางส่วนถูกเตียงหรือว่าตัางเข้าก็เป็นอบัตเหมือนกันนี่ก็แสว่าเป็นอจิตกะแม้ได้รู้ก็เป็นอบัติแต่เมื่อขนถูกเป็นอบัตากามจำนวนขนเลยนะ แต่เมื่อพิงด้วยมุ่งใช้สายเป็นใหญ่ก็ในนี้เหมือนกันแต่จะถูกหรือว่าเหยียบด้วยฝ่ามือฝ่าเท้าจับด้วยฝ่ามือหรือว่าเหยียบด้วยฝ่าเท้าเนี่ยควรอยู่เจียกหรือต่ํากระทบกายของที่ถูกผู้กําลังขนไปด้วยเป็นอับัตแต่ว่าถ้าเป็นนอนแล้วเสื้อกูราดนี่มันเลิกขนไปถูกก็กลับอบัติตามสำนวดขนเลยแล้วก็การพิงอยู่เหมือนกันเนอะ ถ้าไม่มีกีวอตองตัวเองหรือว่าไม่มเครื่องกระลองแล้วก็เป็นพียงพวกเสาศีดาก็ตาเสาบไม้พัดอีกต่างๆแล้วตากประตูหรือ ว, ว่าพื้นที่บริการต่างๆเครื่องฝาที่บริการดูดีก็มีอาบัตสมัยนี้เขาก็ใช้ซิเบลลาดแล้วก็ฉาบปูนใช้กระเบื้องเซราบิกเป็นฝาบางท่าก็พิจารณาว่ามันไม่ทําให้ เขาไม่เสียหายหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เลอะเทอะได้เพราะวา่ตัวเราก็มีเหงื่อมีใครอะไรทัร้งๆัดยก็เอื้อเฟื้อเอาอะไรบารองแล้วก็พิงหรือว่าไม่ไงั้นก็ไม่ต้องพิงเลยก็จะดีจะทําให้ไม่สงสัยได้อบัติันนี้ก็สมควรต่เวลาก็ขออนุบวทนาท่านทั้งหลายขให้การศารึกษาการทำวิญญาณนี้จะเป็นปัจจัยให้ เป็นผู้มีศีบริบูรณ์อรบรมจิตให้เป็นสมาติตั้งมันแล้วก็อรบรมเจริญปัญญาเห็นแจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือสามารถที่จะกําเนดรู้ทุกได้ละสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งได้แล้วก็อรบรมเจริจญอ ร, ริยมัรต์ตัดรู้อริยสัจสีจะจักแจ้งพระนิพพานโดยเร็วพานด้วยเกินสาธุสาธุสาธุ